ดูก่อนสหายปุณณมุขะหญิงย่อมดูหมิ่นสามีด้วยฐานะแปดอย่างคือนนหนึ่งดูหมิ่นเพราะความจนคือถ้าผู้ชายเนี่ยคือแฟนหรือว่าสามียากจนบางทีถ้าผู้หญิงรวยกว่านะก็มักที่จะดูถูกดูหมิ่นหรือว่าพูดง่ายง่ายว่า ยงไงอะเห็นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรความสามารถอะไรอย่างเงี้ยน่นก็เลยมักที่จะูหมินสามีหรือบางทีอาจจะเท่าๆกันเนี่ยแต่ถ้าผู้ชายไม่สามารถที่จะเก่งเรื่องการงานไม่สามารถที่จะเก่งในเรื่องการหาเงินหาทองแล้วผู้หญิงก็ดูมินอีู่เหมือนกันนะ ว, ว่าไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ย เพรนั่นอันนี้ก็เป็นข้อที่1ส่วนข้อที่2ดูหมินเพราะเจ็บป่วยกระสอบ ก, กระแสคือถ้าผู้ชายอ่ะเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเพราะว่าผู้หญิงเาก็ถือว่าผู้ชายเป็นเหมือนกับผู้นำใช่โดยโดยโดยค่านิยมนะโดยความรู้สึกเป็นคนหาเงินหาทองมาเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายเจ็บป่วยกระสอบ ก, กระแสแล้วก็ผู้หญิงเาไม่ค่อยชอบใจแน่ๆนะเาจะดูหมินเอา จะตรงังข้ามกับถ้าผู้หญิงเจ็บป่วยผู้ชายเป็นฝ่ายหาเงินหาทองมาใช่มอันนั้นมันก็อีกลักษณะหนึ่งตรงังข้ามแต่ส่วนใหญ่ถ้าฝ่ายผู้ชายเนี่ยเจ็บป่วยแล้วก็แย่แล้วละ่ะผู้หญิงมักจะไม่ไม่ชอบใจละมันเกี่ยวหลายอย่างเพราะว่าถ้าผู้ชายเจ็บป่วยแล้วเนี่ยแม้แต่เรื่องเงินทองก็จะหามาได้ยากแล้วตอนนี้ผู้หญิงก็ต้องไป หาเองสิต้องไปทำเองใช่ไหมจะมีเยอะนะในสังคมเนี้ยที่เราเห็นเห็นที่บังเอิญบางทีบางครั้งผู้ชายไปอะไรอะ่ะเจออุบัติเหตุหรือว่าเกิดพิกลพิการเกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหผู้หญิงที่ถ้ารับผิดชอบหรือว่ามีความรักจริงมีน้ำใจบางทีเขาก็พยายามกัดฟัน เลี้ยงทั้งสามีนะปีการอย่างเงี้ยเลี้ยงทั้งลูกเต้าอีกโอ้โหอันนั้นอันนั้นเรียกว่ายอดเยี่ยมมีน้ําจิตน้ําใจแล้วก็มีความอดทนสูงแต่ผู้หญิงที่เรียกว่าไม่อดทนนะนะแค่ไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ทิ้งเท่านั้นเองไปหาใหม่ดีกว่าอืเพราะว่าอยู่ไปก็ทุกข์กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะทิ้งเลยผู้ชายจะเป็นไงก็ช่างนะอันนั้นอย่างที่สองคือดูบิน เพราะว่าผู้ชายนี่เจ็บป่วยข้อสมก็คือดูหมิ่นเพราะความแก่ชราเหมือนกับอะไรนะผู้หญิงมีผัวแก่หรือถ้าตวงข้ามเขาก็พูดอะไรนะแก่แล้วอยากจะมีเมียสาวอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวนี้ไม่สาว่มีเมียเด็กเลยละ่ะบัวแก่อยากจะกินหญ้าอ่อนอันนี้พูดในมุมตวงข้ามะนะ แต่ในที่นี้ถ้าเกิดเนี่ยผู้หญิงไปแต่งงานกับผู้ชายแก่จริงๆหายากนะที่จะไปรักอะ่ะน้อยจริงๆที่จะแหม่ผู้หญิงไปรักผู้ชายแก่ๆส่วนใหญ่เออที่รักอย่างนี้ก็เพราะามีเงินทองไม่ไม่ค่อยมีเหตุอื่นสักเท่าไหร่อะ่ะส่วนใหญ่อ่เพราะเพราะว่ามีเงินทองแต่ถ้าแต่งเนี่ยถึงจะมีเงินทองก็เถอะเขาก็ไม่ได้รักเขาก็ไม่ได้ชอบอะไรเขารักที่เงิน เขาไม่เชยรักที่คนเพราะฉะนั้นจริงๆเร า, เาก็ดูหมิ่นด้วยซ้ํำไปผู้หญิงผู้หญิงก็จะดูหมิ่นด้วยซ้ํำไปข้อที่4ผู้หญิงเนี่ยดูหมิ่นสามีหรือดูหมิ่นผู้ชายเนี่ยก็เพราะว่าผู้ชายเนี่ยกินเหล้าเมายาเป็นนักเลงสุราอันนี้ผู้หญิงไม่ชอบเพราะว่าบางคนผู้หญิงเขาไม่ชอบอะ่ะกินเหล้าเมาแล้วบางทีอาลวาดหรือบางทีก็ มาทุกตีภรรยาช่วยซ้ำไปหรือว่าบางทีเมาเละแล้วก็ไม่ได้เรื่องมิจวาจริงจริงไนะอ้วกมัง่งอะไรอ่ะล้มลุกคุกคานบางทีอ้ยหอนแข่งกับม้าก็ได้ถ้าเมาไปแล้วเนี่ยโอ้อะไรอะไรก็ได้ทำเลวทำร้ายอะไรได้เยอะแยะไปหมดรางนั้นผู้หญิงเขาก็จะดูหมิน่นเอนะข้อที่ห้า จะดูหมินเนี่ยสามีที่โง่เซะซะมีตามนี้นะเขาเขาใช้โง่เซะอาจมาก็เติมซะเขาอีกตัวโง่เซะซะจริงๆจะว่าไปมันก็มันก็น่าจะดูหมินอยู่นะถ้าพูดกันตามนะมั้นแหมโง่มากๆแต่โง่ไม่ใช่ไม่ใช่ซื่อนะซื่อจนเซ่ออะไรอย่างนี้มันเข า, เาผู้หญิงบางคนไม่ชอบคนซื่อ หาว่าคนซื่อเนี่ยคือคนเซอ่อเซอะซะ่อะไรพวกนี้ไอ้อย่างนี้ไม่ไม่ใช่ละแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ตาตำ่ำเอ่อไม่รู้จักว่าเออจริงๆคนซื่อสัตว์คนอะไรนี่ดีอยู่แล้วอะ่ะใช่มจริงจริงแล้วได้สามีที่มีความซื่อสัตว์มีความอะไรอะ่ะคือบางทีไม่ไปเอาลัดเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยนะทํางานโดยสุจริตเออแต่ดูแล้วมันเหมือนกัน โ, งโง่โง่นะในสังคม ไม่เอาเปรียบคนนี่เพราะฉะนั้นบางทีก็เลยเลยไม่ชอบผู้ชายซื่อๆเลยไปชอบอะไรอะชอบผู้ชายกอล่อนนพูดหลอกเกง่งพูดอะไรอะ่ะเอาอกเอาใจเกง่งเก็เลยไปชอบอย่างนั้นพอไปเจอผู้ชายซื่อๆแล้วก็ดูหมิ่นว่านี่โง่อย่างนี้ไม่เอานะส่วนข้อที่หดูหมิ่นเพราะ มัวเมาหมายถึงว่าผู้ชายนี่ก็นั่นแหละเลอะเละเทอะเทอะไม่ได้เรื่องไม่ได้ความนะเพราะวผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้หญิงก็จะดูหมิ่นผู้ชายแบบนี้ข้อที่7ดูหมิ่นเพราะหมุนตามการงานไม่ทันคือหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยหรือว่าสามีไม่ฉลาดไม่เก่งในการทํางานนะหรือว่าทํางานพอใช้ได้แหละแต่พูดง่ายง่ว่าไม่ทันผู้หญิงอะ่ะ ผู้หญิงเขารู้สึกว่าแม้มันน่าที่จะว่องไวมันน่าที่จะทำได้ดีกว่านั้นไม่ไม่ไม่เท่าที่ผู้หญิงเขาอยากจะให้มีอยากจะให้เป็นเออไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะดูหมิ่นผู้ชายในลักษณะนี้ส่วนข้อที่8ดนะดูหมิ่นเพราะทำให้ทรัพย์เกิดขึ้น เพื่อให้สําเร็จตามความปรารถนาไม่ได้คือพูดง่ายเลยหาเงินมาให้ผู้หญิงใช้ไม่ได้หรือหามาให้ใช้ไม่ทันหรือหามาให้ใช้ไม่พอเน่ยเพราะฉะนั้นก็จะดูหมินอันอัน น, น, นี้อันนี้โดนบ่อยนะอันนี้รู้สึกว่าส่วนใหญ่พอบอกแล้วว่าผู้หญิงไม่จะเป็นคนเก็บเงินใช่มนี่นี่พูดโดยโบราณมานะ ไม่ใช่พูดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้กระเป๋าใครกระเป๋ามันล่ะเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ะแต่ก่อนนี่จะรวมกันเนี่ยเป็นแบบกงสีเป็นแบบอะไรพวกนี้แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยทุกวันนี้นี่ระบบอย่างของฝรั่งมังค่าเข้ามาก็กระเป๋าใครกระเป๋ามันบางทีไปนั่งกินด้วยกันต่างคนต่างจ่ายคุณคิดดูก็แล้วกันอกโอ้โหนั้นในเมืองไทยเนี่ยค่านิยมพวกนี้ก็ชัก ชักเพิ่มมากขึ้นแม้บางทีเนี่ยคนในบ้านร่ํารวยในที่มีอันจะกินอะไรต่างเดี๋ยวนี้ก็กระเป๋าใครกระเป๋ามันเยอะแยะไปหมดคือทําอย่างกับว่าอยู่กันต่างคนต่างอยู่อย่างนั้นะทั้งที่อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็บางทีก็เอา้าก็เป็นสามีภรรยาเป็นอะไรอะ่ะบางทีแม้แต่พี่น้องแม้แต่อะไรเนี่ยก็อยู่กันแบบคนละกระเป๋าทั้งสิ้นเลย มันลักษณะพวกนี้มันมากขึ้นแต่ในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าผู้หญิงจะดูหมิ่นผู้ชายที่เนี่ยหาเงินทองหาทรั์อะไรมาให้เขาไม่พอกินไม่พอใช้ไอ้ไม่พอกินนี่จริงๆมันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะส่วนใหญ่มักจะพอกินแต่มันไม่พอใช้นี่สิยิ่งผู้หญิงที่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าสุดุ้ยสุด้ยหน่อยเนี่ยชอบไปเดินชอปปิง้ง อชอบซื้ อ, ไ อ, อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่โอ้โหไม่มีวันพอใช้หรอกวันเนี้ยดูอะไรวันเนี้ยไอที่เขาออกรายการไอที่เครื่องเพชรในรายการถวายไร้โชว์เข้ามาออกแม้แหวนนิดนึงต้มหูอีกนิดนึงใส่คออีกนิดนึงนูน่นสิบกว่าล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านใยยจยพอทำงานมาห า, หาให้ไหวอย่างงี้ แค่แต่งนี่แต่งน้อยก็โอ้โหเป็นกี่ล้านแล้วใครจะไปหามาให้ไหวอ่ะอ้าวแล้วมันก็เป็นลูกโซ่นะถ้าผู้ชายเขาต้องพยายามใช่ไหมเขาก็โดนเมียว่าอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามไปหามาไอ้ไปหามาทีเยอะๆมันมีแต่ยังไงก็ต้องไปเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านยาวช่องก็ต้องไปคดโกงบางทีไปทุจริตไปคอร์รัปชันมาเพื่อที่จะให้ได้เงินมาเยอะๆแล้วก็มาบำรุงบำเ ล, ำลอเมียตัวเองเนี่ยลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าผู้หญิงที่ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรอะ่ะไม่รู้จักประหยัดสามีแย่เลยลำบากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่8ที่ทำให้ผู้หญิงก็เลยดูหมินนะผู้ชายที่พูดง่ายว่าหาเงินไม่ไมเก่งอันนี้เป็น8ข้อนะที่นกพยานกกูณาละพูดให้ พยานกบุญมุขาฟังพอพูดแปดข้อนั้นจบแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่าดูก่อนสหายปุณมุขะายังมีอีกผู้หญิงทั้งหลายย่อมนำความปททุสลายมาให้ด้วยฐานะเก้าประการคือหนึ่งมักไปเที่ยวตามสถานรื่นรมนันนี่อย่างแรกคือคื อ, ค, อคือผู้หญิงเนี่ย จะไปทําร้ายใครต่อใครเขาเนี่ยหรือหรือแม้แต่ทําร้ายสามีตัวเองหรือทําร้ายคนที่ที่มารักเขาหรือมาชอบเขาโดยที่ผู้หญิงเนี่ยชอบไปเที่ยวตามสถานลื่นเลงหรือว่าบันเทิงหรือว่าอะไรอะเลิงรมต่างๆชอบถ้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นแระเป็นพวกเทคพวกพับพวกอะไรต่างๆอ้าวผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะ กูลองไปดูสิไปไปมามาที่จริงอ่ยแต่เดิมเนี่ยผู้ชายอ่ะคือมันมันมาจากไอเหมือนไอของฝรั่งเขาเท่านั้นแหละไอพวกอบเยามุกเลวๆเนี่ยแหละส่วนใหญ่มาจากของฝรั่งเขาเป็นส่วนใหญ่เลยมันมาจากไออะไรนะบาร์แบบของฝรั่งเขาไอซาลูนไออะไรต่ออะไรที่เป็นแบบของฝรั่งจึงเขาขายเหล้าขายเบียร์ขายอะไรส่วนใหญ่มันมีแต่ผู้ชายเข้าซะส่วนใหญ่ ผู้หญิงก็แค่เป็นอะไรอะ่ะพนักงานบ้างเป็นบริการบ้างเท่านั้นเองแต่หลังๆนี้ไม่ละมันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจนเป็นครับเป็นผับเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างๆคราวนี้ผู้หญิงชักชักเยอะขึ้นเรื่อยๆชักมากขึ้นแม้แต่ผู้หญิงที่ไปเป็นบริกรเนี่ยหรือไปช่วยบริการมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ทุกวันนี้เพอเพอพวก นักศึกษานักศึกษาเนี่ยไปทํางานสมมติว่าที่แถวพัดพงหรือแถวอะไรเนี่ยไปไปบริการเขาอาจจะไม่ขายตัวก็ได้นะแต่ว่าเขาก็ไปทํางานพวกเนี้ยทางานบริการมันเพิ่มขึ้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเพอเพอชักผู้หญิงในสถานที่พวกเนี้ยผู้หญิงก็จะมากกว่าผู้ชายนะแล้วก็มันสนุกสนานใช่มอ่มันสนุกสนานเพราะฉะนั้นก็ชอบ ผู้ชายมันไปมันก็ไปหาผู้หญิงเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรอื่นหรอกแล้วผู้หญิงก็รู้ว่าเออผู้ชายก็ชอบไปสถานที่อย่างนี้เพราะอย่างนี้พราผู้หญิงก็เลยไปหากินกับสถานที่อย่างนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเนยเพราะันอันนี้อันที่1นึงว่าเนี่ยมักไปเที่ยวตามสถานรื่นรมสองมักไปเที่ยวสวนสวนก็คือเนี่ยสวนไอ้บางทีสวนสาธารณะสวนอะไรอะ ในในกรุงเทพมีก็มีสวนลุมอา้าวใครไม่เคยไปบ้างอ่ะใครใครไม่เคยไปเลยสวนลุมอา้าวบางทีก็เนี่นะฮะพวกผู้ชายผู้หญิงอะไรเขาก็เป็นคู่คู่เขาก็ไปกันนะอืสวนจะรู้จกกักรอะเออนั่นแหละบางทีสวนอะไรพวกเนี้ยก็ไปกันแล้วผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบเพราะแต่ก่อนมันไม่มีห้างสรรพสินค้ามันไม่มีสวนสนุกอะไรเหมือนเหมือนทุกวันนี้ เพราะนั้นสวนไอ้พวกไปเที่ยวชมสวนชมดอกไม้ชมต้นไม้ชมอะไรอย่างๆมันเป็นแบบสมัยก่อนไงสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกผู้หญิงก็ชอบไปพราไปที่แบบนี้ก็อา้าวบางทีก็ไปพักผ่อนยอมใจไปอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้ออกกลาลังกายไปบริหารไปอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็บางทีก็นั่นแหละเหมือนกับว่า อะไรอ่ะไปอวดอ่ะไปอวดไปเดินโชว์ให้คนเขาแหมเห็นแล้วก็ชอบสวยอะไรอย่างนี้นะพังก็ชอบชอบไปเที่ยวแตะอะไรสถานที่แบบนี้นะอย่างที่สามมักไปสู่แม่น้ำคืออันนี้คงต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะไปอาบน้ำเขาก็ไปอาบน้ำกันที่ท่าน้ำเพราะนี่มันเป็นเรื่องโบราณนะ เราเราต้องเข้าใจเนี่ย เ, ออเพราะนั้นก็ไปที่ใบน้ำนี่ก็คือไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ท่าน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นที่สำหรับอาบน้ำต่างๆก็จะมีผู้คนมีอะไรต่ออะไรเยอะยิ่งถ้าเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนท่าที่คนไปอาบกันมันก็จะยิ่งมีคนมากมายนะมันก็ชอบไปสถานที่แบบเนี้ยไปที่ที่บันเ อ, อมีคนเยอะๆนะอาบน้าอาบท่า ซึ่งซึ่งมันก็มาในทางของกามมาในทางที่บางทีมันก็เออนะได้อะไรอ่ะไอพวกผู้ชายบางทีมันก็ชอบมาแอบดูชอบมาอะไรพวกนี้นั่นแหละเพราะนั้นมันเป็นท่าที่ก็ไปจะซักผ้าก็ตามไปอาบน้ําก็ตามอะไรก็ตามเพราะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะห้องน้ําห้องท่าอยู่ในบ้านช่องเสมัยเ่ อ, อไรมันไม่ได้มีอย่างนี้ ดังนั้นก็เลยเนี่ยก็ชอบที่จะไปสู่แม่น้ําำข้อสี่ 4, มักไปหาตระกูลญาติหรือชอบไปเยี่ยมญาติอันนี้นี่ชอบไปเยี่ยมญาติคือในในเนี้ยเขาหมายความว่าคืออ้างไงอ้างว่าไปเยี่ยมญาติแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะไปจริงๆแต่ไปเยี่ยมญาติเนี่ยไปแป๊บเดียวแต่นอกนั้นก็คือหนีไปเที่ยวเตะที่ไหนไหนหรือบางทีก็ ในที่นี้เนี่ยเขาบอกบางทีไปครบสู้ชู้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครต่อใครเลยด้วยซ้ําไปเพียงแต่ว่าเป็นการอ้างว่าว่าจะไปเยี่ยมญาติเหมือนเรื่องชาดกที่เออที่เราฟังไปตอนต้นๆ น, น่ะที่มเหศสีของพระราชาอ้างว่าจะไปเยี่ยมลูกไงเออเยี่ยมพระโอรสอ่ะที่ไหนได้ก็คือระหว่างทางก็ไปยุ่งกับเจ้าพรามณหนุ่มนั่นน่ะนั่น นะนะตัวอย่างทํานองนี้หรือนี่ข้อ5มักไปหาตระกูลอื่นคือเที่ยวนั่นแหละไปหาเพื่อนเที่ยวไปที่นั่นที่นี่นะชอบเที่ยวเตะนะผู้หญิงคือผู้หญิงเที่ยวเตะจะไม่เหมือนผู้ชายเที่ยวเตะถ้าเป็นผู้ชายเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ได้นึกเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้ไปอะไรมากนะเขาก็ถือว่าเอา้าพวกผู้ชายอ่ะ อะไรนะอ่าอะไรนะผู้ชายพายเรืออ่ผู้หญิงยิงเรือหรือเปล่าสำนวนอย่างนี้หรือเปล่าผู้ชายพายเรือก็เสือสิงผู้หญิงยิงเรือก็เป็นเหยื่อลิง <c oughs> เคยได้ยินหรือเป่เนี่ยฮ้มีใครเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยเหรอเอ๊ะอาตรมาไปได้ยินที่ไหนมานะมันเป็นเพลงหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเ้าร้องกัน ก็บอกผู้ชายพายเรือเนี่ยก็เสือสิงคืออย่าไปไว้ใจนะไอ้พวกผู้ชายพายเรือเนี่ยคือมันก็ร่อนเอมันเจ้าชูมันเที่ยวชอบมันเก่งอะมันดูคนเก่งมันไล่จีบเขามันตามจีบเขาวันผู้หญิงเสร็จเพราะไอ้พวกผู้ชายพายเรือเนี่ยแหละมันเอาใจเก่งก็เลยบอกระวังผู้ชายพายเรือเนี่ยก็เสือสิงไอ้พวกเสือสิงทั้งกันแหละพวกเขี่ยวงอกเขี่ยวลากดินทั้งกันเอ่ ส่วนเขาบอกถ้าผู้หญิงยิงเรือก็เป็นเยื่อลิงไม่เคยจะยิงเลยเหรอเขาบอกผู้หญิงยิงเรือหมายถึงว่าผู้หญิงที่ไม่สำรวมผู้หญิงที่ชอบนีแหละไปเที่ยวเตะตามสถานที่ต่างๆอะไรพวกเนี้ยั่วยวนให้ท่าอะไรต่ออะไรใครเขาเนี่ยเป็นพวกผู้หญิงยิงเรือยิงเรือเรือจมหมดผู้หญิงยิงเรือ เออเราไปเหยื่อลิงก็คือก็เนี่แหละในที่สุดก็ก็ยุ่งกับผู้ชายอะไรต่ออะไรในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อไอ้พวกลิงข้างพวกเนี้ยไม่ได้เป็นเหยื่อคนหรอกเนาะคนดีๆเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งอะไรด้วยส่วนใหญ่ก็ในที่สุดก็ไปหลอกล่อไปอะไรคนอื่นเขาไอ้พวกที่ได้มาก็ลิงทั้งนั้นเนี่ยพวกซุกซนพวกไม่รู้จัก เรามัดระวังเนื้อตัวเองให้ดีนะอันนั้นก็เป็นข้อที่ห้านะเนี่ยมักไปเนี่ยเที่ยวที่ต่างๆตระกูลอื่นๆส่วนข้อที่หกมักประดับด้วยผ้าอันนี้ก็หมายถึงว่าชอบแต่งตัวนั่นเองนะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเ อ, อต่อให้เป็นผู้หญิงจนๆด้วยนะก็ยังไงก็ยังชอบแต่งตัวใช่ไหมเออมันเป็นมันเป็น ยิเลที่สะสมมานานขนาดโจนยังไงก็ยังชอบแต่งตัวอยู่เดียเสื้อผ้าก็ชอบใส่เสื้อผ้าสวยๆหรือว่าอะไรเครื่องประดับแหมก็อยากที่จะมีเครื่องประดับนำมานึกถึงเรื่องนึเงเรื่องหนึ่งแต่ก่อนเนี้ยเคยดูนานละธรณีการแสงอะ่ะหนังอินเดียโอแม่เนี่ยนะ ลูกชายจะแต่งงานก็เลยอุไปอะไรอ่ะไปยืมอ่ะไปยืมเงินทองของคนอื่นเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อไอ้กำไรอทองแหวนทองสร้อยทองอะไรเครื่องประดับทองทองอ่ะเพราะอินเดียก็ชอบแล้วเขาถึงจะรู้สึกว่าแหมมันมันภูมิฐานมันหรูหรามันยิ่งใหญ่ โอโ้แม่นี่ยอมแต่งลูกชายก็เลยไปยืมเป็นนี่ะเป็นหนี้ไอเศรษฐีในหมู่บ้านไปยืมมาเสร็จแล้วพอแต่งงานเสร็จแล้วก็ก็ทองพวกนี้ก็ยกให้ลูกลูกสะใภ้ไปเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นอย่างเนี้ยเป็นจารีเป็นประเพณีซึ่งจริงๆมันไม่ถูกกันนะมันเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยมปนเรื่องของการหลงค่านิยมผิดๆแล้วก็ แทนที่จะแต่งงานแล้วไม่เป็นหนี้อันนี้แต่งงานแล้วเป็นหนี้เลยเสร็จแล้วก็ต้องทำมาหากินแล้วก็ชดใช้หนี้ไปไปมาใช้หนี้เขาไม่ไม่สําเร็จจนตอหลังโอ้โหบ้านเบอร์นั้นแทบหมดเลยแทบหมดเนื้อประดาตัวปลูกข้าวขึ้นมาได้ข้าวขึ้นมาทีก็ต้องใช้หนี้ใช้หนี้ตัวเองแทบไม่มีจะกินเลยในที่สุดว่าเนี่ยเป็นข้านิยมที่ไปหลงเนี่ยแหละไอเครื่องประดับ นะค่านิยมของสังคมที่บอกว่าแต่งงานต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะต้องอะไรถ้าเป็นจีนต้องโต๊ะจีนนะสักร้อยตัวร้อยโตนะะจะดูยิ่งใหญ่หรูหราไอเงี้ยแต่งแต่งไปเถอะแต่งไปแล้วก็ไปเป็นหนี้นั้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอความหลงความฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยพวกนี้ล้วก็เลยต้องไปสร้างภาพแต่ตอนนี้สำหรับตัวผู้หญิงเอง นะที่เราบางทีเนี่ยจะไปทุไปประทุสล้ายคนอื่นเขาเพราะว่าเราก็อยากแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยๆ ย, ยิ่งทุกวันนี้นี่มแม่อิจกอยังแต่งปกปิดบิดชิดอะไรยังดีนะแต่งเพื่อสีสันให้มันสดสวยอะไรก็ยังยังดีหน่อยแต่เดี๋ยวนี้นี่มันไม่ใช่แค่สีสันไม่ใช่แค่อะไรอ่ะผ้าให้สวยงามเท่านั้นโอ้โหเดี๋ยวนี้มันโ ป, โป แล้วก็อะไรอะ่ะผ้ามันมันน้อยชิ้นลงไปเรื่อยๆอผ้ามันประหยัดผ้าแหมมันใช้ถูกก็เปล่าเนี่ยมันไม่ได้ประหยัดนอะที่จริงมันเจตนานะมันไม่ใช่ประหยัดมันเจตนาทำให้ผ้าเล็กลงไปเรื่อยๆอน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยแหมประดับตกแต่งอะไรไปอย่างนี้เพื่อพูดง่ายๆเลยว่าหลอกล่อผู้ชายไม่มีอย่างอื่นเลย พูดอย่างอื่นแล้วมันมันไม่ตรงอ่ะถ้าพูดอันนี้ชัดที่สุดว่าก็แต่งไปทำไมอ่ะก็แต่งไปเพื่อให้คนเขาอะไรอ่ะดูแล้วชอบพอใช่ไหมดูแล้วรักใครใช่ไหมอ่าเพราะฉะไม่ใช่เหตุอื่นเลยเหตุนี้โดยตรงแต่ตอนนี้ผู้หญิงผู้หญิงจากกันดูก็ริษยาแต่ผู้หญิงยิ่ ộ, งโง่โง่นะที่ไม่ฉลาดเนี่ย โอ้เห็นเขาแต่งตัวอย่างนี้แล้วิษยาจังเลยแมมฉันก็อยากแต่งอย่างนี้บ้างแต่ฉันไม่มีอย่างนี้ฉันก็เลยเงียบไว้อะไรเงี้ยหรือว่าเฉยไว้หรือไม่ก็บางทีว่าแหมแต่งโปแต่งอะไรว่าเขาแต่จริงๆใจริษานะอันนี้ชอบเหมือนกันนะอยากจะแต่งแต่ไม่มีให้แต่งพวกนี้แต่ถ้าคนที่สมาทิฏฐิ คนที่ถือศีลปฏิบัติธรรมหรือรู้คุณธรรมความดีเนี่ยเขาก็รู้ว่าแต่งอย่างนี้ไม่ดีไม่ถูกจริงก็จะต้องติก็ต้องว่าแต่คราวนี้ไม่ใช่ลิษยาแล้วแต่คราวนี้เพราะรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงว่าแต่งอย่างนี้เนี่ยมันมีแต่สร้างปัญหาสังคมให้หนักขึ้นทำให้ผู้ชายที่พบที่เห็นก็ยิ่งเกิดการมราคะยิ่งเกิดความที่โอ้โหนะอยากที่จะอะไรอะได้ผู้หญิงคนนั้น แต่บางทีอ่ะแหมมันมันไม่ได้อ่ะผู้หญิงคนนี้บางทีเนี่ยมันก็ไปขมขืนไปอะไรอ่ะฉุดคล้าคนอื่นเขาอ่ะเพราะว่าแหมมันเห็นแล้วมันก็เกิดอารมณ์อย่างนี้แต่ทําคนนั้นไม่ได้มันก็ไปทํากับคนอื่นบางทีคนใกล้เคียงบ้างคนข้างบ้านบ้างหรือคนบางทีเขาแม้เดินเข้ามาในซอยไปเปลี่ยวก็จัดการเขาเลยเนี่ยมันไปสร้างปัญหาสังคมเพราะนั้นจริงๆแล้วการ แต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อที่จะให้สวยสดงดงามเพื่อที่จะยั่วยวนผู้ชายเขาเนี่ยไม่ควรทําเลยทําแล้วสร้างปัญหามากเนี่ยเป็นภัยเป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งก็เกลอเอ้ยทุกวันเนี่ยแต่เขาก็เห็นกลายเป็นอะไรอะ่ะกลายเป็นแฟชัออ่นกลายเป็นของของน่านิยมแหมกลายเป็นไฮโซกลายเป็นอะไรที่แหมะจะตกแต่งให้มัน ให้มันดูเลิศเนี่เขาใช้เลิศเนีที่จริงเลิศนี่มันแปลว่าดีนะมันแปลว่ายอดอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาพูดสั้นๆเนี่ยเอาให้เลิศไปเลยเข <c oughs> <c oughs> จะพูดสั้นๆอ่ะอันนั้นก็อที่หกนะมักประดับตกแต่งข้อที่เจ็ดมักดื่มน้ำเมาโอ้ยนี่ชัดเลยมักดื่มน้ำเมาเดี๋ยวนี้เบีย ใช่ไหมไวน์กุลเลอร์ไอ่เลาองุ่นต่างๆหรือแม้แต่น้ำหมักกระเหอะหมักผลไม้ต่างๆเนี่ยแล้วมันมีแอลกอฮอล์เมาทั้งนั้นพวกนี้คุณจะเมาอ่อนหรือคุณจะเมาเข้มเมาแก่ยังไงก็ถือว่าน้ำเมาทั้งนั้นเพราะนั้นโดนหลอกเยอะขึ้นเรื่อยๆสติที่เขาสำรวจมาแล้วทุกวันนี้วัยรุ่น หรือว่าเด็กก็ตามบางทีเนี่ยแช่ชั้นประถมเองปรากฏว่ากินพวกเหล้าอ่อนๆเนี่ยมากขึ้นเหล้าเนี่ยมันมีสมระดับไอ้ของเมาเนี่ยไม่ใช่เหล้าอ่ะของเมาเนี่ยมี3มระดับเมาแบบแก่ๆนะที่เราใช้คําว่าสุราหรือสุระเนี่ยอันนี้เมาแบบเข้มข้นพวกเหล้าที่มีแอลกอฮอลสูงมีแอลกอ เอ่อเปอร์เซนต์มากๆอย่างเงี้ยไอ้พวกเหล้าต่างๆเนี่ยที่มันมีในสังคมเนี่ยหรือพวกเฮโรอีนพวกของเสพติดที่เมาเหมือนกันแม้ไม่ใช่เหล้าแต่เป็นพวกยายาเสพติดอันเนี้ยเนี่ยเป็นพวกสุระพวกเมาอย่างจัดจ้านอย่างแรงกล้านะเบียดเบียร์แล้วก็ทำร้ายทำอันตรายคนอย่างหนักหน่วงแล้วก็รุนแรงนะส่วน สุราแล้วก็เมรยะเนี่ยอันนี้เมาระดับกลางลงมาอันนี้แหละคราวนี้พวกพวกไอเบียรพวกไวอ่าพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในเมรยะเป็นน้ําเมาเหมือนกันสุรานี่ก็แปลว่ า, านะแปลว่าน้ําเมาเมรยะนี่ก็แปลว่าเมาเหมือนกันน้ําเมาเหมือนกันแต่เมาระดับกลางลงมาแล้วคือมันมันไม่เข้มข้นเท่าสุรา เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นพวกที่มีแอลกอฮอล์แต่ว่าระดับต่ำลงมาทุกวันนี้เนี่ยเขาส ต, ติคนพบว่าโอ้โหในประเทศไทยใช่ไหมสูงขึ้นทุกปีเลยไม่มีเตี้ยลงเลยนะไม่เหมือนใช้นี่ i m เเลยไอ้นี่ปากฏว่ามันติดหนี้มากขึ้นเรื่อยๆหนี้ที่คนในเมืองไทยนี่เมาเพราะสุราเพราะ เมระยะเนี่ยเพราะไอ้ของเมาพวกนี้แล้วมันก็แปลกใหม่มาเรื่อยๆอยู่นะโอ้โหแม้แต่ไอ้ทอฟฟี่ที่เขาใส่ใส่เหล้าอะ่ะเขาเรียกอะไรนะเหล้าแห้งเขาเรียกเหล้าแห้งท็อฟฟี่ที่เขาใส่เหล้าไว้ข้างในมีป่ามีใครเคยกินไหมช็อกโกแลตก็ด้วยมีเหล้าอยู่ข้างในเั้นพวกนี้เนี่ ย, ยก็ถือว่าเป็นพวกของเมาทั้งนั้น นะไม่ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ําเมาก็ได้เนี่ยจะเป็นทอฟฟี่เมาก็ได้มีมีแอลกอฮอล์แล้วก็กินเล้าติดได้ด้วยอ่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในเมรยะอันนี้ก็เมาหรือแม้แต่คราวนี้มัชชะละนะสุราเมเรยะแล้วก็มัชชะมัชชะนี่ก็เมาอีกเหมือนกันนะสามเมาเลยเนี่ยสิ่ข้อที่ห้าเนี่ยสุราเมเรยะมัชชะมัชชะนี่ก็เมาอีก แต่อันนี้เมาก็อ่อนลงมาอีกคือยังเป็นของเสพติดอย่างเช่นกาแฟกาแฟจริงๆอิงนะชาอะไรพวกนี้พวกนี้ถือว่าเสพติดมีมี ม, ม, ม, ม, ม, มีมีสารที่ที่ทาให้เรากินไปแล้วเราติดได้หรือแม้แต่ไอ้พวกบุหรี่พวกอะไรพวกนีเนี่ยเนี่ยถือว่ากินแล้วติดถือว่าทาให้คนมัวเมาคน มอเมาคนให้ให้ติดวันดูนะจากข้อเนี้ยบอก่าเนี่ยมักมักดื่มน้ำเมาเนี่ยขอ้อข้อที่7วันทุกวันนี้โอ้โหคนเมาจำนวนมากแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเมาเพิ่มขึ้นเยอะเหลือเกิน